วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่7มีนาคมพุทธศักราช2564เป็นวันที่สาวทุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้มีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาศึกษามาเรียนรู้คำสั่งคำสอน ของพระบรมศาสดาพออาระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศัทธาเทวมนุษย์สานางคือเป็นครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเป็นผู้มีความรู้ที่สูงสุดของความรู้ที่มีอยู่ในโลกนี้ เป็นความรู้ที่จะนําไปสู่ความสุขความเจริญความรู้ที่จะนําไปสู่การดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากจิตใจของสัตว์โลกทั้งหลายผู้ที่สามารถศึกษาคําสั่งคําสอนและน้อมนําเอาไปปฏิบัติได้ก็จะได้รับกับได้พบกับความสุขและได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง วันนี้เราจะมาฟังวิธีสร้างความสุขที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้มีอยู่สองระดับด้วยกันระดับต้นแนละระดับปลายระดับต้นก็คือความสุขของผู้ครองเรือนระดับปลายก็คือความสุขของนักบวชมีอยู่สองระดับด้วยกัน เหมือนกับการศึกษาก็มีระดับต้นแนละระดับปลายระดับต้นก็ระดับปฐมมัธยมระดับปลายก็ระดับปริญญาขั้นอุดมศึกษาประโยชน์ที่ได้ก็ต่างกันความสุขที่ได้จากระดับต้นก็น้อยกว่าความสุขที่จะได้ระดับปลายแต่ความยากง่ายก็ต่างกัน าการหาความสุขระดับต้นนี้ง่ายกว่าการหาความสุขระดับปลายและในฐานะที่พวกเราทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้เราก็เกิดมาเป็นคารวาผู้คลองเรียนกันก่อนทั้งนั้นก็เหมือนกับเวลาที่เราไปเรียนหนังสือใหม่ๆเราก็เป็นเด็ ก, เ, ดกเล็กๆเราก็เข้าอนุบาล แล้วก็ค่อยขยับขึ้นชั้นประถมมัธยมต่อไปความสุขจึงมีแบ่งไว้สองระดับตามกำลังความสามารถของผู้ที่จะนำเอาไปปฏิบัติได้พระพุทธเจ้าจึงแยกความสุขนี้ไว้สองระดับด้วยกันระดับของคารวะผู้ครองเรือนและระดับของนักบวญนะระดับของคารวะผู้ครองเรือนนี้ ก็มีอยู่สี่เหตุด้วยกันที่จะทำให้เกิดความสุขเหตุที่จะทำให้เกิดความสุขของคารวาสมีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งก็คือการมีทรัพย์หรือการได้ทรัพย์คืมีเงินมีทองได้เงินได้ทองมาเวลามีเงินมีทางได้เงินได้ทองก็จะมีความสุขกัน ข้อที่สองเหตุที่จะทำให้เกิดความสุขก็คือก า, การได้ใช้ทรัพย์สินที่ได้มานั่นเองที่มีอยู่ถ้ามีทรัพย์สินแล้วไม่ได้ใช้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่มีไม่ได้ไม่ได้ความสุขมีทรัพย์สินก็ต้องนำเอาไปใช้เพื่อที่จะได้เกิดความสุขขึ้นมาอันนี้ก็เป็นความสุขเหตุของความสุขข้อที่สองเหตุของความสุขข้อที่สาม ของผู้ครองเรือนก็คือการไม่มีหนี้สินเต้อง ก, การมีหนี้สินนี้จะทำให้เป็นภาระที่จะต้องชดใช้ก็ต้องคอยหาเหงินหาทองมาชดใช้หนี้สินที่ได้ก่อไว้ได้สร้างไว้ความสุขก็ไม่มีถ้าต้องใช้หนี้ใช้สินแต่ถ้าไม่มีหนี้ไม่มีสินก็จะสบายไม่ต้องมามีความกังวล ว่าจะต้องเอาเงินไปใช้หนี้ใช้สิลต่างๆจะ ต, ต้องหาเงินมาใช้หนี้ใช้ศินต่างๆดัง น, นั้นควรจะไม่มีหนี้ศินถ้าอยากจะมีความสุขแล้วท่อที่สี่คือความสุขที่เกิดจากการกระทําที่ไม่เกิดโทษการกระทํานี้มีหลายแบบด้วยกันทำแล้วเกิดโทษก็มีทำแล้วแล้วเกิดคุณประโยชน์ก็มี ทำแล้วก็เป็นการกระทําที่กลางๆ ก, ก็มีคือไม่เกิดโทษไม่เกิดคุณถ้าจะทําอะไรก็ทําในสิ่งที่ให้เกิดคุณประโยชน์อย่าไปทําในสิ่งที่ห้ามให้เกิดโทษสิ่งที่ทําให้เกิดโทษคืออะไรการกระทําก็คือการทาําบาปและการเสพอบายมุขต่างๆนี่นี่เป็นสิ่งที่ ่าววะผู้คลองเรือนควรที่จะหลีกเลี่ยงถ้าอยากจะมีความสุขในฐานะของผู้คลองเรือนอย่าทำบาปอย่าฆ่าสัตว์อย่าลักทรัพย์อย่าประพฤติผิดประเวณีอย่าพูดปดแล้วก็อย่าเสพะบยมุข ค, คือสุรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวเตร มีความเกลียดข้านและคนคบคนที่ชอบอบายามุขเป็นมิตรเพราะการครบคนนี้จะมีที่พลต่อการกระทำของเราถ้าเราครบคนที่ชอบดื่มสุราเขาก็จะชวนเราไปดื่มสุราถ้าคบคนที่ชอบเล่นการพานันเขาก็จะชวน <c oughs> เรา <c oughs> เขาก็จะชวนเราไปเล่นการพานัน ถ้าเขาชอบเที่ยวเตะเขาก็จะชวนเราไปเที่ยวเตะเขาชอบความเกลียดค้านเขาก็จะชวนให้เราเกลียดค้าน mm hmm. อย่างนั้นการกระทำเหล่านี้มันเป็นโทษ mm hmm. มันไม่มีประโยชน์มีแต่ดูดรัพย์มีแต่ทำลายทรัพย์สินที่เรามีไว้มีอยู่ให้หมดไปได้เช mm hmm. ่นการเช่นการดื่มสุรายามเมา <c oughs> ก็ต้องเสียเงินเสียทอง mm hmm. ไปซื้อมาดื่มแล้วเวลาดื่มก็ต้องเสียเวลาเพราะดื่มแล้วเมื่อเกิดอาการมึนเมาขึ้นมาก็จะไม่สามารถไปทำอะไรที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ได้นอกจากไม่ได้ทำให้เกิดคุณประโยชน์แล้วยังอาจจะไปทำให้เกิดความเสียหายต่างๆขึ้นมาได้เวลาเกิดอาการมึนเมาขึ้นมาก็จะ ควบคุมการกระทําทางกายทางวาจาทางใจไม่ได้ถ้าคิดไม่ดีก็พูดไม่ดีจะทําไม่ดีก็จะห้ามไม่ได้เมื่อทําไปแล้วก็จะเกิดโทษตามมาเช่นถ้าเดินชูลาแล้วมืนเมายังไปขับรถยนต์อยู่ก็มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ทำให้เกิดความเสียหายทั้งกับผู้อื่นและกับตนเอง<ม>หรืออาจจะทหรืออาจจะถึงกับการเสียชีวิตได้นี่คือการกระทาที่เกิดโทษที่เกิดจากการดื่มของบึนเมาต่างๆนั<ม>้นพยายามหลีกเลี่ยงละเวน้น<ม>อย่าไปดื่มของมึนเมาแม้กระทั่งเพียงนิดเดียวก็ตามเพราะมันส่วนใหญ่มันก็เริ่มที่นิดเดียวนี่แหละ พอเดิมไปแล้วเดี๋ยวมันก็ติดก็อยากจะเดิมเพิ่มขึ้นไปทีละเล็กทีละน้อยต่อไปก็จะดื่มมากขึ้นมากขึ้นจนกลายเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังขึ้นมาได้เนีงั้นอย่าดื่มสุรา <c oughs> เป็นโทษกับตนเอง <c oughs> และโทษกับผู้อื่น <c oughs> โทษทางร่างกายร่างกายก็จะเป็นโรคพิษสุราทาให้ตับไต น, นี่ เสียหายถึงแก่ชีวิตเสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้ด้านทางด้านจิตใจก็ทำให้ขาดสติไม่สามารถควบคุมอารมณ์ต่างๆไว้ได้บุคคลที่รักที่ชอบนี้เวลาที่เราดื่มร้อนแล้วเขามากักจะไม่อยากจะอยู่ใกล้เราเพราะเราควบคุมอารมณ์ของเราไม่ได้ เวลามีอารมณ์ไม่ดีเราก็จะระบายออกไปทำให้ผู้อื่นเขาลำคาญหรือทนไม่ได้และอาจจะอยู่ร่วมกันไม่ได้ต่อไปนี่คือโทษของสุรายาเมาถ้าดื่มมากๆ ก, ก็จะทำให้เสียงานเสียการจะาไปทำงานไม่ไหวเดือสุรามึนเมาตื่นขึ้นมาก็ปวดศรีรษะไม่อยากจะไปทำงานทำการ ถ้าขาดงานขาดการบ่อยเข้าต่อไปก็อาจจะถูกเขาให้ออกจากงานได้<ม>ก็จะทำให้ไม่มีรายได้<ม>แล้วพอไม่มีรายได้ก็อาจจะต้องไปหารายได้ในทางที่ไม่ชอบต่อไปเป็นทาอาชีพค<ม>้าขายที่ผิดกฎหมายมมเพราะอาชีพที่ผิดกฎหมายมักจะหาเงินได้ง่ายได้เร็วได้มากม อาชีพที่ถูกกฎหมายนั่นเองอันนี้คือโทษของการเสพใบายามุก ค, คือการเด่มโุลายาเมาโทษของการเล่นการพนันก็จะดูดทรัพย์ของเราไปทีละเล็กทีน้อยจนกระทั่งหมดเนื้อหมดตัวได้พอเวลาที่เล่นการพนันเวลาชนะก็อยากจะเล่นต่อเวลาแพ้ก็อยากจะได้คืน ก็ต้องเล่นต่อดังเมื่อเล่นไปเรื่อยๆก็จะมีโอกาสที่จะเสียไปเรื่อยๆจนกระทั่งต่อไปเงินทองก็จะไม่มีเล่นก็อาจจะต้องไปขายทรัพย์สินข้าวของเงินทองขายบ้านขายที่ดินเพื่อเอามาเล่นต่อมีคำพูดเขาว่าเวลาขโมยขึ้นบ้านนี้มันยังไม่ร้ายแรงเท่ากับ ผีพนันสิงจิตใจเพราะขโมยขึ้นบ้านนี่นก็เพียงแต่เอาทรัพย์สินที่มีอยู่ในบ้านไปเท่านั้นแต่ไม่สามารถเอาบ้านหรือเอาที่ดินไปได้ถ้าเวลาไฟไหม้บ้านไฟก็จะไหม้แต่ทรัพย์สินและบ้านเท่านั้นแต่ที่ดินก็ยังอยู่แต่ถ้าเป็นผีพนันเข้าไปในสิงใ น, ในใจแล้วมันเอาหมดเลย เอาทั้งทรัพย์สินเอาทั้งบ้านเอาทั้งที่ดินเอาไปขายเพื่อที่จะมาเล่นต่อเพื่อที่จะหวังที่จะเอาเงินคืน mm hmm. นั่นนี่คือโทษของการเล่นการพนันอย่าไปเล่นเป็นนันขาดเพราะเมื่อเล่นแล้วก็อาจจะทำให้ต้องไปกระทำบาปเพราะเมื่อไม่มีรายได้ไม่มีทรัพย์สิน ถ้าต้องการมีเงินมีทองก็อาจจะต้องไปทำบาปด้วยการรักทรัพย์บ้างด้วยการชอโกงด้วยการโกหกหลอกลวงแล้วก็จะเกิดโทษตามมาออการเที่ยวเตร่ก็เช่นเดียวกันการเที่ยวเตร่ก็มีแต่รายจ่ายไม่มีรายรับเออที่ยวแล้วก็ติดก็อยากจะเที่ยวอยู่เรื่อยๆเวลาไม่ได้เที่ยวจะรู้สึกหงุดหียด อยู่บ้านแล้วรู้สึกหมุดคิดถ้าไม่ได้ออกไปเที่ยวข้างนอกแต่เวลาไปเที่ยวข้างนอกก็ต้องเสียเงินเสียทองแล้วก็จะเสียเวลากับการไปทำงานทาการก็อาจจะไม่ทำงานจะเอาแต่เที่ยวอย่างเดียวเอาไปเงินทองก็หมดได้เช่นเดียวกับความเกลียดค้านความเกลียดค้านก็จะทำให้ไม่ไปหาเงินหาทองนั่นเองจะ จะเอาเวลาไปเที่ยวไปเสพอบายามุข ค, คนที่ชอบความเกียจขันนักจะชอบอบายามุขอื่นๆด้วยนี่คือการกระทำที่เกิดโทษที่ผู้ครองเรือนถ้าต้องการให้มีความสุขอยากจะอยู่อย่างมีความสุขก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงการเสพอบายามุขต่างๆและการทำก็ทาบาปสี่ข้อด้วยกัน ก็คือการค่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติปิดประเวณีการพูดปดหลอกลวงพูดปดพูดหลอกลวงก็อาจจะถูกจับขึ้นฟ้องศาลในฐานะช่อหลอกลวงหรือในฐานะมินประมาทว่าพูดโดยที่ไม่เป็นความจริงเป็นต้นอันนี้เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับตนเองการกระทาบาท การลักทรัพย์หรือการช่อกงก็เช่นเดียวกันเราคงได้เคยได้ยินคดีต่ตางๆเยอะแยะไปหมดเนื่องการช่อกงกันต้องขึ้นลงขึ้นศาลฟ้องน้องกันเพราะช่อกงกันอเอาทรัพย์ของผู้อื่นโดยที่เขาไม่อนุญาตหรือหลอกลวงเขาอืแล้วก็การฆ่ากันการฆ่ากันก็ มีโทษหนักถ้าถูกจับก็อาจจะถึงกับโทษประหารชีวิตได้นี่คือ <c oughs> การกระทำที่เกิดโทษถ้าไม่ต้องการที่จะมีความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆจากการกระทำที่เกิดโทษก็ให้ระ ง, งับเสียพอเราไม่กระทำสิ่งที่เกิดโทษใจของเราก็จะสบายมีความสุขสบายใจ ไม่ต้องกังวลไม่ต้องหวาดกลัวว่าจะต้องถูกไปต้องไปพบกับปัญหาต่างๆนี่คือความสุขของผู้คองเรือนคือความสุขที่เกิดจากการกระทำที่ไม่เกิดโทษส่วนความสุขข้อที่หนึ่งนั้นคือความสุขที่เกิดจากการมีทรัพย์หรือได้ทรัพย์นี้พวกเราทุกคนคงไม่ปฏิเสธ เวลาเราได้ทรัพย์มานี้ไม่มีใครบน่นไม่มีใครว่าไม่ดีมีแต่ความดีอกดีใจมีความสุขกันแต่การที่จะมีทรัพย์หรือได้ทรัพย์มานี้ก็มีหลายวิธีด้วยกันวิธีที่ไม่เกิดโทษก็มีวิธีที่เกิดโทษก็มีวิธีที่เกิดโทษก็คือการหามาโดยวิธีมิชอบต่างๆนั่นเอง คือด้วยการกระทำที่เป็นโทษด้วยการกระทำบาปไปป้นไปชี้รับทรัพย์ของผู้อื่นไปขโมยทรัพย์ของผู้อื่นไปชอโกงทรัพย์ของผู้อื่นไปเหล่าเวงเพื่อเอาทรัพย์ของผู้อื่นมา อ, อันนี้เป็นการกระทำที่จะไม่ถึงแม้ว่าจะได้ทรัพย์แต่จะไม่ได้ความสุขเพราะว่าจะมีความทุกข์ติดตามมาด้วย วิธีการมีทรัพย์หรือได้ทรัพย์แบบนี้จริงไม่ควรทำํำวิธีที่จะมีทรัพย์และได้ทรัพย์ที่พึงจะทําได้ก็มีอยู่สองวิธีด้วยกันคือวิธีหนึ่งก็คือการทำมาหากินโดยอาชีพสุจริญทำมาหากินโดยที่ไม่ไปทา้งความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมทําด้วยอ วิชาชีพความรู้ความสามารถที่เราได้เรียนรู้มาทำแล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นไม่เกิดโทษแก่ผู้อื่นทรัพย์ที่ได้มาก็จะเป็นทรัพย์ที่บริสุทธิ์เป็นทรัพย์ที่ไม่มีพิษมีภัยต่อจิตใจจิตจะมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวที่เกิดจากการมีทรัพย์ด้วยการ มีอาชีพที่สุดจริตหามาด้วยความสุดเจริญอีกวิธีหนึ่งก็คือการมีทรัพย์ที่เกิดจากเป็นผลบุญที่ได้เคยทำมาในอดีตบางท่านเกิดมาก็เกิดมาบนกองเงินกองทองเกิดมาอยู่ในครอบครัวที่มีฐานะดีมีทรัพย์ไม่ต้องทุกขยากลำบากไม่ต้องดิน้นรนหาเงินหาทองหาทรัพย์อันนี้ตามหลักธรรมคาสอนท่านแสดงไว้ว่า เป็นอ น, นิสง์ของการได้ทําบุญทําทานมาในอดีตทําบุญทําทานแล้วอ น, นิสง์ผลบุญนี้ก็จะส่งให้ผู้กระทาบุญนัออ้นได้เวลามาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเกิดบนกองเงินกองทอง อ, อ, อย่างพระเวชสันดร น, นี่ท่านตอนสมัยที่ท่านเป็นพระเวชสันดรท่านก็ทําบุญทําทานอย่างมหาศาล มีใครต้องการอะไรใครเดือดร้อนอะไรต้องการความเื่เหลือท่านยินดีที่จะช่วยเหลือเสมอพร้อมให้ทุกอย่างที่จะให้ได้พอเวลาท่านตายไปจิตของท่านก็ไปเกิดในสวรรค์แล้วพอลงมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้มาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะราชกุมารพูดเต็มเปลี่ยมไปด้วยบารมีต่าง ทำให้มาเกิดในกองเงินกองทองมีประสาสามฤดูมีบริษัทมีบริวารคอยรับใช้คอยตอบสนองความต้องการทุกรูปแบบอันนี้เรียกว่าการมีทรัพย์โดยที่เกิดจากการทำบุญในอดีตหนังที่ได้ทรงแสดงไว้ในมงคลกระสตรว่ากุบเบกะตะปุญญาตา การได้ทำบุญในอดีตนี้เป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะบุญที่เราทำในอดีตมันจะส่งผลให้กับเราในปัจจุบันนี้หรือถ้าว่าเราไม่ได้ทำบุญในอดีตชาตินี้เราเกิดมาไม่ร่ำไม่รวยเราถ้าอยากจะให้ร่ำให้รวยอยากให้สุขสบายในภพหน้าชาติหน้าเราก็สามารถทำบุญในชาตินี้ได้ เพื่อถ้าเรายังไปไม่ถึงพระนิพพานยังไม่หลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเราก็จะได้อาศัยบุญที่เราทำในภพนี้ชาตินี้มาสนับสนุนเราในภพต่อๆไปได้เพื่อให้เราเกิดมาจะได้มีทรัพย์จะได้อยู่อย่างมีความสุขในฐานะของผู่ของเรือนนี่คือความสุข ที่เกิดจากการมีทรัพย์มีได้หลายวิธีด้วยกันวิธีที่ไม่ถูกก็อยากไปหามาคือวิธีกระทาบาปต่างๆ า, งหาให้หามาโดยวิธีซื่อสัตว์สุดจริตหรือได้มาโดยบุญที่ได้ทามาในอดีต บางท่านอาจจะรู้สึกว่าทำมาค้าขายรู้สึกง่ายเจริญรุ่งเรืองง่ายได้นี่ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะบุญเก่าที่ได้ทําไว้มาสนับสนุนถึงแม้ไม่ได้มาเกิดเงนกองเงินกองทองแต่พอทําการค้าทําธุรกิจอะไรรู้สึกเจริญรุง่งเรืองก็ทําไมคนอื่นเขาทําการค้าทําธุรกิจทําไมเขาไม่เจริญรุง่งเรือง ก็อาจจะเป็นเพราะบุญที่มาที่ได้เคยทํามาในอดีตนี้มีไม่เท่ากันนั่นเองผู้ที่ทํามาค้าขายเจริญรุ่งเรืองอย่างง่ายดายและรวดเร็วนี้มักจะมีผลบุญที่ได้ทํามาจากอดีตเป็นผู้สนับสนุนผู้ที่ทําแล้วเจริญแก้วหน้าอย่างล่าช้าทีนี้ก็จะเป็นเพราะไม่มีบุญไม่มีกุศลที่ได้ทําไว้ในอดีต อันนี้ก็เป็นเรื่องของการมีทรัพย์หรือได้ทรัพย์ที่จะนําความสุขมาให้แก่ผู้ที่คลองเรือนแล้วความสุขอีกข้อหนึ่งที่จะเกิดก็คือหลังจากที่ได้ทรัพย์แล้วก็ความสุขก็เกิดจากการได้ใช้ทรัพย์ที่มีอยู่นั่นเองถ้าได้ทรัพย์มาแล้วไม่เอาไปใช้เก็บไว้เฉย ก็เหมือนกับไม่ได้มีทรัพย์นั่นเองได้มาแล้วถ้าไม่ใช้ก็ไม่มีความสุขแต่การใช้ทรัพย์ก็ต้องรู้จักวิธีใช้เพราะการใช้ทรัพย์ก็มีการใช้แบบที่จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาได้คือการใช้ทรัพย์ด้วยการกระทำที่เกิดโทษใช้ทรัพย์กับการไปรเสพอบา ย, ยมุขต่างๆใช้ทรัพย์กับการ ไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆซื้อของหรูหราต่างๆที่ไม่มีความจำเป็นถ้าอยากจะใช้ทรัพย์ให้เกิดความสุขไม่เกิดโทษครจะใช้กับสิ่งที่จำเป็นเช่นปัจจัยสี่ชีวิตของพวกเราทุกคนอยู่ได้ด้วยปัจจัยสี่คือร่างกายร่างกายของเราขาดปัดจจัยสี่ไม่ได้ ถ้าไม่มีปัจจัยสี่แล้วร่างกายของเราก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยอาจจะพิกลพิการหรืออาจจะตายได้เราก็ต้องใช้ทรัพย์นี้ส่วนนี้มาให้เกิดความสุขกับเราเวลาที่เราเลี้ยงดูร่างกายด้วยปัจจัยสี่ที่พอเพียงเราก็จะทำให้เรานี้มีความสุขใช้ทรัพย์อย่างมีความสุขก็ให้ใช้กับสิ่งที่จาเป็น แลนะให้รู้จักประมาณการใช้เพื่อชี้จะได้ไม่ใช้มากจนเกินไป mm hmm. เพราะถ้าใช้มากเกินไปกว่าฐานะหรือกว่ากําลังทรัพย์ที่เรามีอยู่ทรัพย์ที่เรามีอยู่ก็อาจจะไม่พอใช้ได้ดั mm hmm. งนนต้องรู้จักประมาณการใช้เงินใช้ทอง mm hmm. เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาไม่ให้เกิดโทษตามมา ให้ใช้กับสิ่งที่จำเป็นจริงๆใช้กับปัจจัยสี่คืออาหารเครื่องนึ่งโฮมที่อาศัยยารักษาโรคตามฐานะตามกำลังทรัพย์ของเราให้มันใช้เพื่อให้ดูแลร่างกายให้อยู่เป็นปกฏิสุขได้ซึ่งการใช้ปัจจัยสี่นี้ก็มีอยู่หลายระดับด้วยกัน แต่ผลที่เกิดขึ้นก็ได้เท่ากันคือเลี้ยงดูได้เลี้ยงดูร่างกายได้เท่าเหมือนกันจะใช้เงินมากเพื่อเลี้ยงดูร่างกายหรือจะใช้เงินน้อยเลี้ยงดูร่างกายผลที่เกิดกับร่างกายก็เท่ากันก็คือดูแลร่างกายให้อยู่เป็นปกติสุขได้่ังนั้นถ้าเรามีทรัพย์แต่เรา อยากจะมีความมั่นใจว่าทรัพย์ของเรานี้จะไม่หมดไปอย่างง่ายดายรวดเร็วเราก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังใช้ตามสมควรต่อเหตุต่อผลต่อความต้องการของร่างกายอย่าใช้ด้วยอารมณ์ถ้าใช้ด้วยอารมณ์นี้อารมณ์มักจะอยากจะใช้มากๆเพราะความหลงมักจะหลอกให้เราคิดว่า ถ้าเราได้ใช้ของราคาแพงๆเราจะได้ความสุขมากกว่าการใช้ของถูกๆกอนนั้นเป็นอารมณ์ที่หลอกเราเราจะรู้สึกได้ความสุขแต่มันเป็นความสุขเดียวเดียวเวลาได้ไปใช้ชื้อของแพงๆก็เกิดความสุขแต่เป็นความสุขเดียวเดียวในขณะที่ได้ใช้เงินนั้นไปพอผ่านไปความสุขนั้นก็จะจางหายไป แล้วมันก็จะเป็นตัวที่จะมาคอยกระตุ้นให้เราไปใช้ของแพงๆซื้อของแพงๆใช้เพราเวลาไปซื้อของที่ไม่แพงจะรู้สึกไม่มีความสุขแต่ถ้าเราอย่าไปตามอารมณ์เราใช้เหตุใช้ผลใช้ปัญญาเราซื้อของนี้มาเพื่ออะไรประโยชน์ที่เราต้องการจากสิ่งนี้คืออะไรเช่นอาหารี่ เราซื้อมาซื้ออาหารมาเพื่ออะไรเพื่อมาระงับความหิวของร่างกายเนี่ยอาหาการระงับความหิวของร่างกายด้วยอาหารนี้ก็มีหลายระดับหลายราคานแต่ผลที่เกิดขึ้นมันก็เท่ากันกินอาหารมื้อละร้อยกับกินอาหารมื้อละห้าร้อยก็ได้ความอิ่มเหมือนกันแต่ถ้าเราซื้อมื้อละร้อยเราแบ่งกินได้สี่ ได้ห้ามื้อด้วยกันถ้าใช้มือกินมื้อละห้าร้อกินได้ผลได้ได้ครั้งเดียวอีกห้ามื้อก็ต้องอบเนี่ถ้าไม่มีเงินพออย่างนั้นต้องรู้จักใช้เงินถึงที่จะทําให้เกิดความสุขขึ้นมาอย่าใช้เงินตามอารมณ์อารมณ์นี้มันหลอกเราหลอกให้เราคิดว่าถ้าได้ใช้ของที่เราชอบเราอยาก เราเห็นเราเราักเราชอบอยากได้แล้วก็มีราคาแพงๆเวลาเราใช้เราจะเกิดเราใช้เงินแล้วเราจะรู้สึกมีความสุขมากแต่ไม่เม็ความสุขแบบควันไฟพอซื้อมาได้พักเดียววันสองวันความสุขนั้นหายไปแล้วเดี๋ยวพอออกไปเดินห้างไปเห็นของใหม่ที่ถูกสายตาถูกใจขึ้นมาก็เกิดความอยากจะซื้อใหม่อีกแล ซื้อกี่รอบก็เหมือนกันความสุขได้ที่ได้มาก็หายไปแล้วพอเราไปดูของที่เราซื้อมาในบ้านดูยังไงมันก็ไม่มีความอยากไม่มีความสุขเหมือนกับของที่เราเห็นในร้านพอเห็นของใหม่ในร้านเห็นทีไรโอ้อยากได้สวยงามพอได้มาแล้วมาเก็บไว้ในบ้านดูยังไงมันก็เฉยเฉยไปแล้วมันไม่ได้ให้ความสุขถ้ามันให้ความสุขเราก็ไม่ต้องไปซื้อของใหม่กันใช่ไห นี้มันหมดแล้วมันเหมือนกับผลไม้น้ำที่เราดูดน้ำผลไม้ออกไปหมดแล้วตัวเนื้อตัวตัวเปลือกมันยังมีอยู่แต่มันไม่มีน้ำให้เราดูดนความสุขแบบอารมณ์มันเป็นอย่างนี้มันจะหลอกให้เราต้องเสียเงินเสียทองซื้อของใหม่ๆแปลกๆมาอยู่เรื่อยๆถึงจะมีความสุขแล้วพอเราไม่ได้ซื้อขึ้นมาเราจะรู้สึกหนุดหงิดรู้สึกไม่มีความสุขขึ้นมาได้ แต่ถ้าเราใช้เหตุใช้ผลในการซื้อของต่างๆแล้วเราจะไม่มีอารมณ์มาหลอกเราเราจะไม่ติดกับการใช้ซื้อของที่ฟุ่มเฟือยของที่ไม่จำเป็นต่างๆว่าเราจะซื้อแต่ของที่จำเป็นเท่านั้นเช่นเวลาร่างกายหิวก็ซื้ออาหารมาให้รับประทานอาหารก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีราคาแพงๆซึ่ออาหารที่ ราคาถูกก็ทำหน้าที่เหมือนกับอาหารที่ราคาแพงคือระงับความหิวของร่างกายดูแลร่างกายให้อยู่เป็นปกติสุดได้นี่นะจะทำให้เราไม่ต้องใช้เงินมากจนเกินไปแต่ทำให้ทรัพย์ที่เรามีอยู่นี้ไม่หมดไปอย่างรวดเร็วแต่ทำให้ทรัพย์ของเรานี้อยู่ไปได้นา น, าน พร้อมกับทรัพย์ใหม่ที่เราหามาอก็ะจะทําให้การคลองเรือนชีวิตการคลองเรือนของเรานี้มีแต่ความสุขนแต่ถ้าเราใช้แบบฟุ่มเฟือยเนี่ยทรัพย์ที่เรามีอยู่นี้ก็อาจจะหมดไปได้อย่างรวดเร็วและรายได้ที่เราหามาอาจจะไม่พอเพียงกับรายจ่ายที่เราใช้มันก็อาจจะบังคับให้เราต้องไปกู้หนี้ยืมสินขึ้นมา จะทําให้เรานี้ต้องมีภาระกับการใช้หนี้สินอีกอันนี้ก็จะทําให้เกิดโทษเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้จักใช้เงินใช้ทองแบบให้เกิดคุณเกิดประโยชน์เนี่เราจะไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเพราะเราจะไม่ใช้มากถ้าเราไม่ใช้เงินทองด้วยอารมณ์ใช้เงินทองด้วยเหตุด้วยผลน ก็ไม่มีอะไรที่จ้องใช้นอกจากปัจจัยสีนะ่นันเองปัจจัยสีนี้ขาดไม่ได้ร่างกายขาดปัจจัยสี่แล้วจะต้องมีปัญหาขาดอาหารไม่ได้ขาดเครื่องนุ่งห่มไม่ได้ขาดที่อยู่อาศัยไม่ได้ขาดยารักษาโรคไม่ได้แต่ของเหล่านี้มันก็มีขอบมีเขตมันไม่มันไม่ต้องใช้ทรัพย์มากมายเกินไป อาหารก็อาหารมือละร้อยก็อยู่ได้เสื้อผ้าชุดต่อสองสามร้อยก็อยู่ได้มีสักสองสามชุดก็พอถ้าพูดจะใช้เสื้อผ้าจริงๆถ้าถ้าใช้เสื้อผ้าเพื่อเป็นหน้าที่ของเสื้อผ้าก็คือ ม, มีไว้เพื่อปกปิดร่างกายนี่ปกปิดอวัยวะป้องกันภัยจากอากาศหนาวเย็นหรือป้องกันภัยจากสัตว์ที่จะมากัดมาต่อย mm hmm. มดแมลงอะไรต่างๆเท่านั้นเอง ฉะรเสื้อผ้าก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีมากเกินไปและก็ไม่ต้องมีราคาที่แพงๆเราอย่าหลงกับอารมณ์ที่ว่ามีเสื้อผ้าสวยงามแล้วจะทำให้เราสวยงามคนที่สวยงามทางเสื้อผ้านี้ถ้าไม่สวยงามทางจิตใจนี้ก็ไม่มีใครเขาอยากจะคบค้าสมาคมด้วยความสวยงามที่แท้จริงนี้ต้องสวยงามทางจิตใจ อย่าไปหลงกับความสวยงามทางร่างกายเพราะเป็นความสวยงามที่ผิวเผินเป็นความสวยงามที่ไม่ไม่แท้จริงเวลาเราเห็นคนที่แต่งตัวสวยงามใหม่ๆล้วก็อาจจะติดตาติดใจพอเราได้รู้จักมากขึ้นแล้วพอได้รู้จักนิสัยของเขาเป็นนิสัยที่ไม่สวยงามนี้ ถึงแม้เขาจะสวมเสื้อผ้าพรสวยงามเพียงใดเราก็ไม่อยากจะคบค้าสมาคมเขาด้วยถ้าเขาโกโหกหลอกลวงเขาชอบโกงเรานี่ต่อให้เขาเสริมใส่เสื้อผ้าสวยงามขนาดไหนก็ตามก็ไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมด้วยะงั้นอย่าไปกังวลกับความสวยงามทางร่างกายให้มากังวลกับความสวยงามทางจิตใจ เสื้อผ้านี้มีไว้เพื่อปกปิดร่างกายเพื่อป้องกันภัยที่จะมากระทบกับร่างกายนยที่อยู่อาศัยก็เหมือนกันถ้าไม่มีเงินซื้อบ้านก็เช่าบ้านอยู่ก็ได้สมัยนี้ตายไปแล้วก็เอาบ้านไปไม่ได้ซื้อไปตอบตายไปก็ทิ้งให้คนอื่นเข้ามาอยู่สบายไปถ้าเราไม่มีบ้านก็ไม่ต้องทิ้งอะไรแค่อยู่ ดีไม่ดีทิ้งค่าเช่ามากเข้าัใจม่าสุดท้ายตายไปก่อนฉันไม่ต้องไปดิ้นรนมากกับเรื่องปัจจัยสี่กนะารรักษาพยาบาลก็เรามีสวัสดิการทาง ของรัฐเขาบริการให้สามสิบบาทรักษาทุกโรครักษาหายเหมือนกันสามหมนก็หายสามสิบบาทก็หายถ้าไม่หายถ้าตายก็ตายเหมือนกันสามสิบบาทก็ตายได้สามหมื่นบาทก็ตายได้ฉะนั้นอย่าไปกังวลกับเรื่องโครคภัยไข้เจ็บมากจนเกินไปพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าคนเราทุกคนเกิดมาแล้วนี้จะต้องเจอโรคสามชนิดด้วยกัน โรคชนิดแรกก็คือโรคที่เป็นแล้วหายเองเช่ mm hmm. นเป็นหวัดเป็นอะไรปวดท้องไม่ต้องกินยา ก, ก็ได้ทิ้งไปสักระยะหนึ่งเดี๋ยวมันก็หายเองได้ mm hmm. โรคชนิดที่สองคือเป็นแล้วต้องรักษาถึงจะหายถ้าไม่รักษามันก็ไม่หาย mm hmm. แล้วโรคที่สามก็คือพอเป็นแล้วก็รักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หาย mm hmm. ต่อให้มียาวิเศษขนาดไหนราคาแพงขนาดไหนก็รักษาไม่หายอยู่ดีฉะนั้นอย่าไปกังวลกับมันมากจเกินไปเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยสี่ของร่างกายตามคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9้าท่านบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงพออยู่พอกินทำให้ร่างกายไม่ทุกข์ยากเหลือร้้นก็ดีเพราะใจจะได้สบายไม่ต้องมาวุ่นวายมาแบกภาระอันหนักในการเลี้ยงดูร่างกาย โดยการซื้อของแพงๆซื้อปัจจัยสี่ที่มีราคาแพงแต่สำหรับท่านที่มีบุญมีวะมีบารมีมีเงินมีทองมากมายถ้าอยากจะซื้อของแพงๆตามฐานะก็ซื้อได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ประโยชน์ก็ได้เท่ากับคนที่ซื้อของถูกๆใชไม่ต่างกันเลียงดูร่างกายได้เหมือนกัน ถ้อยากจะเอาเงินทองมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากกว่าการใช้กับปัจจัยสีด้วยราคาแพงๆนี้เอาเงินไปใช้กับการสร้างบุญสร้างกุศลจะดีกว่าเพราะว่าภบหน้าชาติหน้านี้เรายังอาจจะต้องกลับมาเกิดอีกถ้าเรายังไปไม่ถึงพระนิพพานเราก็ควรที่จะคํานึงถึงอนาคตที่ที่จะตามมาต่อไป พหลังจากที่เราตายไปแล้วเงินทองที่เรามีกองเท่าภูเขานี้เราเอาไปติดตัวเราไปไม่ได้เลยหน้าตาบาทเดียวแต่เราสามารถแปลงเงินทองเหล่านี้ให้เป็นบุญเป็นกุศลที่เราสามารถเอาติดตัวเราไปได้ทาให้เราได้เป็นเศรษฐีบุญตอนนี้เราเป็นเศรษฐีเงินทองแต่เรารู้ว่าต่อไปเราจะต้องไปอยู่อีกโลกหนึ่งคือโลกทิพย์ ในโลกทิพ์นี้เขาไม่ใช้เงินทองกันเขาใช้บุญเป็นเป็นแทนเงินทองเหมือนสมัยนี้เวลาญาญมเดินทางไปต่างประเทศญาญมก็ไม่เอาเงินบาทไปเพราะเอาเงินบาทไปก็ไปใช้ไม่ได้ใช้ก็ยากต้องไปแลกที่ธนาคารเพราะมักจะแลกเงินในประเทศไปเปลี่ยนเงินตาจากเงินไทยไปเป็นเงินของประเทศที่เราจะเดินทางไป พอเราไปถึงประเทศนั้นเราก็สามารถใช้เงินได้อย่างสะดวกรวดเร็วไม่ต้องไปหาธนาคารคอยแลกเงินอยู่เรื่อยๆทันใด เ, นเวลาที่ร่างกายเราตายไปนี้ก็เหมือนกับเราก็เราจะเดินทางไปอีกต่างต่างประเทศไปอีกโลกหนึ่งจากโลกกรถทาเราจะไปสู่โลกทิพย์โลกทิพย์นี้เขาใช้บุญเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเงินเป็นทองเป็นเครื่องให้ความสุขรับ ดวงวิญญาณของพวกเราดัางนั้นถ้าเรามีเงินทองมากแล้วเรามีเหลือจากการใช้จ่ายในสิ่งที่จําเป็นตายไปเราก็เอาไปไม่ได้เราก็เอามาเปลี่ยนเป็นบุญดีกว่าเหมือนกับพระเวชสันดรนี่ทําบุญไปอย่าไปเสียดายเงินทองมีเงินทองมีไว้เพื่อให้เราใช้ เวลามีเงินทองได้ใช้เงินทองแล้วจะมีความสุขมีเงินทองเก็บไว้เฉยๆแล้วนี่จะไม่มีความสุขนอกจากไม่มีความสุขแล้วอาจจะมีความกังวลด้วยมีความห่วงใยว่าเงินทองจะดูแลรักษาอย่างไรเดี๋ยวหุ้นตกเดี๋ยวดอกเบี้ยลงเดี๋ยวเศรษฐกิจตกตำ่ำเงินทองที่มีอยู่ก็อาจจะหดลงไปได้ ทำให้มีความไม่สบายใจอยู่เรื่อยๆพอเราตัดเงินก้อนนี้ให้กับการทำบุญทาทานไปแล้วใจเราจะรู้สึกเบารู้สึกอิ่มรู้สึกสบายขึ้นมาก<ม>ารทำบุญนี้จะให้ความอิ่มใจสุขใจกับเราจะ<ม>ทำให้ใจเราไม่ค่อยขิยวโหยกับเรื่องเงินทองเพราะเราเห็นคุณค่าของการทำบุญว่ามีความสุขอย่างไร เห็นคุณค่าของการหวงเงินทองว่าเป็นความทุกข์อย่างไรเฉะนั้นให้ใช้เหตุใช้ผลแล้วเราจะไม่เสียดายเงินทองกับการทำบุญเพราะมันไม่ได้เป็นการสูญเสียแต่อย่างใดมันเป็นการได้แก่จิตใจของเราซึ่งเราอาจจะมองไม่เห็นถ้าเราไม่สังเกตแต่ถ้าเราสังเกตเราจะเห็นว่าทุกครั้งที่เราทำบุญนี้ใจของเราจะมีความอิ่มเ อ, อิบมีความสุขใจ และจะเป็นปัจจัยสนับสนุนเราในพพหน้าชาติหน้าต่อไปอ น, นี่ก็คือการหาความสุขของผู้คลองเรือนก็มีอยู่สวิธีด้วยกันคือการมีทรัพย์หรือการได้ทรัพย์มาสองการใช้ทรัพย์ที่ได้มาให้เกิดคุณประโยชน์กับร่างกายและจิตใจสามการไม่มีหนี้สิน สีการกระทาที่ไม่เกิดโทษถ้าอยากจะมีความสุขในระดับของผู้ของเรือนก็ให้กระทาเหตุทั้งสีประการนี้แล้วจะมีความสุขแต่ความสุขของผู้ของเรือนมันก็ยังอยู่ภายใต้กรอบของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนอยู่รับนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะมั่นจะแ น, แน่นอนว่าจะมีมาได้เรื่อย จะมีมาบ้างมีมากบ้างน้อยบ้างขาดบ้างเวลาขาดทรัพย์ขึ้นมาก็ทำให้เกิดความไม่สบายใจได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนอและความสุขที่เกิดจากการใช้ทรัพย์มันก็ไม่แน่นอนอใช้ความสุขเป็นความสุขเดียวเดียวเวลายอยากได้อะไรต้องการอะไรก็ไปซื้อมาหามา พอได้มาก็เกิดความสุขแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งความสุขนั้นก็หมดไปถ้าอยากจะมีความสุขอีกก็ต้องไปใช้ทรัพย์ไปซื้อมาอีกมันก็เป็นของที่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ถาวรไม่สม่ําเสมอยังมีความไม่มั่นคงอยู่ยังไม่มีความแน่นอนไม่มีความเสถียรไม่เป็นความสุขที่ถาวร แลถ้าเกิดจากประสบการณ์อย่างนี้ก็อาจจะอยากจะทําให้เราอยากจะไปหาความสุขอีกรูปแบบหนึง่งถ้าเรามีโอกาสได้พบกับพวกนักบวชเช่นถ้าได้มาเกิดในศาสนาพุทธก็จะได้ยินได้ฟังเรื่องของการวิธีหาความสุขอีกแบบหนึง่งคือการหาความสุขแบบนักบวชเป็นความสุขที่ ไม่ต้องใช้เงินทองเป็นเครื่องมือเหมือนกับการเป็นขาลรว่าทุกขรองเรือนแต่เป็นความสุขที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติธรรมทมที่จะทำให้เกิดความสุขแก่จิตใจของผู้ที่จะเป็นนักบวชนั้นก็มีอยู่สามข้อด้วยกันคือหนึ่งศีลสองสมาธิสามปัญญา ทมทั้งสามนี้จะเป็นผู้ผลิตความสุขต่างๆขึ้นมาให้กับจิตใจความสุขที่จะได้จากการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาก็คือความสงบของจิตใจนั่นเองถ้าจิตใจสงบแล้วจิตใจจะมีความสุขซึ่งเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากความสุขของการเป็นคารวะทูตครองเรือน ความสุขที่เกิดจากการได้ทรัพย์ได้ใช้ทรัพย์จากการไม่มีนี่เป็นต้นอันนี้จะเป็นความสุขที่ดีกว่าที่เหนือกว่าเพราะจะเป็นความสุขที่มั่นคงกว่าเป็นความสุขที่ถ้าเรารู้จักสร้างขึ้นมาแล้วเราจะสามารถสร้างได้ตลอดเวลาและสามารถรักษาให้อยู่กับเราไปได้ตลอดเวลา นะฮกระทั่งเวลาร่างกายเป็นอไร่อยไปเราก็ยังสามารถที่จะมีความสุขได้ <Yeah. S 1> ร่างกายแก่เราก็ยังมีความสุขได้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือร่างกายจะตายใจของเราก็ยังจะมีความสุขเหมือนกับไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น <Yeah. S 1> แต่ถ้าเราใช้ความสุขด้วยเงินทองเวลาร่างกายแก่ร่างกายก็ไม่มีกําลังที่จะไป เไปซื้อของไปหาความสุขทางร่างกายได้เช่นเดียวกับเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาใกล้จะตายเวลานั้นก็จะมีแต่ความทุกข์รุมเล้าจิตใจอยู่ตลอดเวลาเงินทองต่างๆที่ได้มานี้ไม่สามารถป้องกันความทุกข์ให้เกิดขึ้นไม่ให้เกิดขึ้นกับจิตใจได้เลยเวลาที่ร่างกายเป็นอะไรไปแต่ถ้ามีศีลมีสมาธิมีปัญญาแล้ว จิตใจจะมีเครื่องคุ้มครองจิตใจไม่ให้ความทุกข์ทางร่างกายนี้มากระทบกระเทือนต่อตจิตใจจิตใจจะสงบจะเย็นจะมีความสุขจะสบายไม่เดือดร้อนดังนั้นผู้ที่ได้ศึกษาได้ยินได้ฟังธรรมเกี่ยวกับความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมนี้ก็อาจอยากจะสนใจอยากจะลองปฏิบัติดู ก็ยังสามารถทำได้ในขั้นเริ่มต้นนี้ก็ยังไม่ต้องไปเป็นนักบวชแบบเต็มร้อยอาจจะเป็นนักบวชชั่วครั้งชั่วคราวเช่น <Yeah. S 1> มาบวชวันพระกันในวันพระเราวันว่างที่เราไม่ต้องทำงานทําการเราก็ลองมาเป็นนักบวช ด, ดูสักวันห <Yeah. S 1> นึ่งศีลของนักบวชก็คือตั้งแต่ศีลแปดขึ้นไป <Yeah. S 1> ถ้าเป็นคารวะทุกองเรือนก็ถือศีลแปดถ้าเป็น สามเณนก็ถือศีลสิบถ้าเป็นภิกษุก็ถือศีล227ข้ออันนี้กเ็เป็นศีลที่จะมาสนับสนุนในการที่จะปฏิบัติสมาธิและปัญญานั่นเองเพราะถ้าเราไม่มีศีลเราก็จะไม่มีข้อห้ามใจไม่ให้ไปหาความสุขทางร่างกายนั่นเองถ้าเราถือเพียงศีลห้านี้ศีลห้าจะไม่ห้าม เรายังสามารถไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้อยู่แต่ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้สู้ความสุขที่ได้จากการปฏิบัติธรรมไม่ได้ถ้าเราต้องการปฏิบัติธรรมเราก็ต้องระงับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายการจะระงับได้เราก็ต้องถือศีลแปดกันศีลแปดขึ้นไปพะศีลแปดจะห้ามไม่ให้เราไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ห้ามไม่ให้เราไปร่วมหลับนอนกับคู่ครองของเราห้ามหาห้ามไม่ให้เรารับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วห้ามไม่ให้เราไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆไม่ให้เราไปหาความสุขจากมอห์รสุบร้องลําทำเพลงไม่ให้หาความสุขจากการเสริมสวยความงามทางร่างกายเพราะจะเอาเวลาไปหมดนั่นเองถ้าเราไปทาใช้กิจกรรมเหล่านี้ เราก็จะไม่มีเวลาที่จะมาปฏิบัติธรรมกันดังนั้นจึงจําเป็นที่จะต้องมีการมีการป้องกันไม่ให้จิตใจไปทํากิจกรรมเหล่านี้ด้วยการสมาทานศีลแปดกันเราสมาทานศี่แปดแล้วเราก็ไปไหนไม่ได้แล้วก็ต้องอยู่ในสถานที่ปฏิบัติธรรมเท่านั้น สถานที่สงบสงัดวิเวกจะเป็นที่วัดก็ได้ที่บ้านก็ได้ขอให้เป็นที่สงบก็แล้วกันถ้าไปอยู่วัดแล้วไม่สงบก็ไม่มีประโยชน์ถ้าอยู่บ้านแล้วสงบไปอยู่วัดก็อยู่บ้านไปก็ได้แต่ถ้าอยู่บ้านไม่สงบเท่ากับอยู่วัดก็ไปอยู่วัดนั้นการที่จะไปปฏิบัติธรรมนี้จึงจำเป็นที่จะต้องหาสถานที่ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติ เลยต้องเป็นสถานที่สงบสงัดวิเวก <Yeah. S 1> เพราะว่าความสงับวิเวกทางกายนี้จะทำให้ความสงบสงัดทางใจเกิดขึ้นได้ง่าย <Yeah. S 1> กายวิเวกใจก็จะวิเวก <Yeah. S 1> ถ้ากายวุ่นวายใจก็จะวุ่นวายตาม <Yeah. S 1> ถ้าอยู่ในสถานที่วุ่นวายมีเรื่องราวต่างๆมากมาย <Yeah. S 1> เวลาจะทำใจให้สงบนี้ทำได้ยาก <Yeah. S 1> เราจึงต้องมีกายวิเวก yeah. เมื่อกายวิเวกแล้วจิตก็จะวิเวกแต่วิเวกจิตก็พอจิตวิเวกพังเวงก็จะทําให้รู้สึกจะทําให้เข้าสู่ความสงบได้ง่ายเพราะไม่มีอะไรมาขวางกั้นไม่มีอะไรมารบกวนใจนั่นเองอย่างนั้นถ้าต้องการที่จะสร้างความสุขจากการปฏิบัติธรรมข้อแรกก็คือต้องถือศีลแปดถือวันที่เราหยุดทํางานวันที่เรามีเวลาที่จะไปปฏิบัติธรรมได้ จะปฏิบัติธรรมที่บ้านก็ได้ปฏิบัติธรรมที่วัดก็ได้ขอให้สถานที่ที่เราอยู่นั้นมันสถานที่สงบสงัดวิเวกเช่นบางท่านอาจจะอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับใครก็ไม่จําเป็นจะต้องไปอยู่วัดก็ได้ถ้าที่บ้านไม่มีใครมารบกวนเราสามารถที่จะใช้เวลาปฏิบัติธรรมได้ทั้งวันทั้งคืนแล้วก็อยู่ที่บ้านปฏิบัติธรรมไปก็ได้แต่ถ้า เราอยู่กับคนหลายคนที่บ้านมันก็จะทำให้ยากต่อการปฏิบัติเพราะคนที่คนที่เขาไม่ถือศีลไม่ปฏิบัติธรรมเขาก็จะทำกิจกรรมทางตาหูจมูกลินกายเขาก็จะดูดูละครฟังเพลงกันกินอาหารกันต า, ตามเวลาที่เขาต้องการพอเขาทำกิจกรรมเหล่านี้มันก็จะทำให้เราที่ท่าใจยังไม่หนักแน่นพอก็จะทนไม่ไหวจะทนไม่ไหว จะไม่มีสติพอที่จะเข้าไปนั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ถ้าเป็นกรณีอย่างนั้นก็ควรไปหาที่สงบตามสถานที่ปฏิบัติธรรมต่างๆซึ่งสมัยนี้อาจจะไม่ต้องเป็นวัดก็ได้เดี๋ยวนี้มีมีสำนักปฏิบัติธรรมหลายแห่งด้วยกันที่เขาเน้นความวิเวกเป็นหลักให้ผู้ปฏิบัติได้อยู่วิเวกตามลำพังเพื่อที่จะได้มีเวลาปฏิบัติได้เต็มที่ เพราะการอยู่ร่วมกับผู้อืนี้มันจะทําให้ต้องมีการปฏิสันทานกันต้องมีการคุยกันมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันมันก็จะทําให้ต้องใช้ความคิดต่างๆอยู่เรื่อยๆซึ่งการใช้ความคิดนี้มันก็จะขัดกับการทําใจให้สงบนั่นเองใจจะสงบได้นี้ต้องหยุดความคิดให้ได้นดังนั้น หลังจากที่ถือศีลแปดแล้วก็ต้องไปหาสถานที่สงบสงัดวิเวกอยู่คนเดียวต้องอดทนหน่อยเพราะถ้าเราไม่เคยมันจะรู้สึกเหงารู้สึกว่าวเววิธีแก้ความเหงาความว่าวเวก็คืออย่าปล่อยให้ใจอยู่เฉยๆพอนไปอยู่สถานที่ปฏิบัติแล้วต้องควบคุมใจทันทีด้วยการเจริญสติ<ๆ>การเจริญสติก็มีหลายวิธีด้วยกันวิธีง่ายๆก็คือให้เราบริกรรมพุทโธพุทโ ธ, ธไปภายในใจ เพราะเราสามารถทำได้ในทุกิริยาบทพอลืมตาขึ้นมานี้เราก็ควบคุมความคิดได้ด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปจะปล่อยให้คิดเฉพาะเรื่องที่จำเป็นที่จะต้องคิดเท่านั้นถ้าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องคิดก็อย่าให้คิดให้ใช้พุทโธพุทโธไปเรือถ้าเราจะเปลี่ยนมาเป็นการเข้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ถ้าเราไม่อยากจะใช้คาบริกรรม เรามีกำลังพอที่จะบังคับใจให้ดูว่าร่างกายของเราตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ก็ใช้สติแบบนี้ได้สติแบบนี้ก็เรียกว่ากายกตาสติคือการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทำต่างๆของร่างกายเช่นเวลาล้างหน้าแปรงฟันก็ให้อยู่กับการล้างหน้าแปรงฟันอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ ต่อไปก็ต้องดึงให้กลับมาที่การล้างหน้าแปรงฟันหวีผ้าหวีผมแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารทำอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดนี่อย่าปล่อยให้ใจไปคิดให้อยู่กับงานที่เราทำอยู่อันนี้เป็นการฝึกสติเป็นการควบคุมความคิดหยุดความคิดนั่นเองถ้าเรามีสติแล้วต่อไปเราจะเราจะหยุดความคิดได้ง่าย แล้ถ้าหยุดความคิดได้ง่ายจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้ง่ายเนี่ยเบื้องต้นก่อนที่จะนั่งสมาธิได้นี้ต้องมีสติพอที่จะควบคุมความคิดไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆให้ได้ก่อนเพราะถ้าปล่อยให้คิดเดี๋ยวมันคิดถึงนู่นเรื่องนู่นเรื่องนี้เดี๋ยวทาไปทามาอยู่ไม่ได้แล้ปฏิบัติไม่ได้พอไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปกังวลกับคนนั้นคนนี้ขึ้นมาไปห่วงคนนั้นห่วงคนนี้ขึ้นมา เดี๋ยวเปลี่ยนใจทนอยู่ไม่ได้ก็ไปกังวลกับคนนั้นเรื่องนั้นสิ่งนั้นสิ่งนี้การปฏิบัติก็อาจจะล้มเหลวได้ถ้าเราไม่มีความสามารถที่จะควบคุมความคิดปรุงแต่งของเราได้ดังนั้นถ้าเราจะปฏิบัตินี้ต้องถือการใช้สตินี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอุเจ้าบอกสตินี้เป็นธรรมที่สาคัญที่สุดเป็นเหมือนช้างยิ่งใหญ่สาคัญคือตัว สำคัญที่สุดท่านเปรียบเทียบ ว, ว่าเป็นเหมือนรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างนี้ครอบรอยเท้าของสัตว์ทุกชนิดที่มีอยู่ในป่าคือแสดงว่าช้างนี้ช้างช้างนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดสตินี้ก็สำคัญที่สุดเพราะถ้าไม่มีสติแล้วทาอย่างอื่นจะเกิดขึ้นไม่ได้ให้เกิดปัญญาให้เกิดสมาธิขึ้นมาไม่ได้ให้เกิดปัญญาเพื่อตัดกิเลสไม่ได้ ให้เกิดมิมุติหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆไม่ได้ให้ให้ได้บรล ม, มัสุขของพระนิพพานไม่ได้ถ้าไม่มีสติเป็นจุดเริ่มเป็นผู้เริ่มต้นสตินี้ก็เป็นเหมือนกับกุญแจรถยนต์เนี่ยเวลาเราจะขับรถยนต์นี้ถ้ า, ากุญแจหายนีทําอะไรไม่ได้เลยรถยนต์ก็ต้องจอดอยู่ตรงนั้นจนกว่าเราจะห า, ากุญแจเจอ พอเจอกุญแจแล้วทีนี้ก็เปิดเปิดประตูรถได้ขึ้นไปขับรถได้สตาร์ทรถจะไปไหนก็ไปได้แล้วนี่แหละกุญแจสำคัญอย่างไรต่อการขับรถยนต์ฉันใดสติก็สำคัญต่อการปฏิบัติธรรมฉันนั้นญาโยมที่ขับรถยนต์นี้จึงมักจะมีคอยเฝ้าดูแลรักษากุญแจกันทุกคนไม่ให้ไม่ให้คลาดเคลื่อนแมห่หายไปจากตัวเอง เพราะถ้าหายเมื่อไหร่เลยรู้เลยว่ามีปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนไปไหนมาไหนไม่ได้แล้วกุญแจจึงมักไม่ค่อยหายกันฉันใดสติก็เช่นเดียวกันสาหรับผู้ปฏิบัติธรรมถ้าต้องการให้จิตสงบจิตมีความสุขที่เกิดจากก า, การนั่งสมาธิที่เกิดจากการเจริญปัญญาจำเป็นจะต้องมีสติเป็นผู้นำถ้าไม่มีสติแล้วนั่งสมาธิไปกี่ชั่วโมงก็ไม่สงบ เขนั่งไปแล้วก็จะคิดนู่นคิดนี่เห็นนู่นเห็นนี่แล้วก็บุงแต่งไปเป็นเรื่องเป็นราวไปนะแล้วก็ไม่มีผลไม่มีความสุขนั่งไปตีชั่วโมงก็รู้สึกเฉยเฉยเหมือนกับไม่ได้นั่งนะเพราะว่าจิตไม่นิ่งไม่สงบ การนั่งสมาธินี้ขอให้เราทําความเข้าใจว่าสิ่งที่เราต้องการจากการนั่งสมาธิก็คือความนิ่งสงบของใจเราไม่ต้องการอภิน ญ, ญาไม่ต้องการมีตาทิพย์ผูทิพย์ไม่ต้องการเห็นนูน่นเห็นนี่อะไรทั้งสิน้นอันนี้ไม่ได้เ ป, เป็นเป้าหมายของการปฏิบัติธรรมเพื่อเราต้องการหาความสุขที่เกิดจากความสงบถ้านั่งเราเห็นนูน่นเห็นนี่หรือแม้จะมีตาทิพย์ผูทิพย์ แต่สิ่งเหล่านี้มันไม่ให้ความสุขกับใจเราเหมือนกับความสุขที่ได้จากความสงบนิ่งของใจแล้วจะไม่สามารถนำเอาสิ่งที่เรารู้เราเห็นนี้ไปฆ่ากิเลสได้เราต้องอาศัยความนิ่งของใจนี้เป็นเครื่องมือสนับสนุนปัญญาต่อไปในเวลานั่งนี้ไม่ต้องกังวลถ้าใครก็ถามว่านั่งแล้วเห็นอะไรไม่เห็นหเห็นนั่งแล้วเห็นแต่ความว่างเห็นแต่ความสงบเห็นแต่ความเย็นความสบายของใจ เห็นใจที่เปรนกลางปราศจากอารมณ์นักชังกลัวหลงอันนี้คือเป้าหมายของการนั่งสมาธิถ้ายังนั่งไปไม่ถึงจุดนั้นก็อย่าหยุดภาวนาอย่าหยุดเจริญสติเช่นถ้าเราใช้การบริการพุโทโธแล้วก็พุโทโธไปเรื่อยๆถึงแม้จิตเริ่มมีอาการแปลกๆปรากฏขึ้นมาให้เห็นก็อย่าไปสนใจให้พุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆ จนกว่าจิตจะรวมลงสู่ความสงบซึ่งมักจะเหมือนกับตกหลุมตกบ่อเวลาจิตจะรวมสู่ความสงบนี้เหมือนกับลงออกมาจากที่สูงถ้าถ้าใช้คารบริกรรมพุทโธแต่ถ้าใช้การดูลมหายใจนี้จะไม่ตกจะไม่เวลารวมจิตสงบนี้จะไม่ลงมา เหมือนกับตกจากที่สูงแต่จะเหมือนกับตกจากลงมาตามเป็นขั้นบันไดลงมาทีละกึกทีละกึ ก, ก, กแต่ถ้าเป็นพุโทโธนี่เหมือนกับลงเรืเลยๆเดียวลงมาถึงข้างล่างเลยถึงพื้นฐานของจิตคือสมาธิเลยแต่ผลมันจะเป็นยังไงนี่อย่ า, ไ, ยาไปคาดเวลานั่งสมาธิอย่าไปดูว่าจ้องดูเมื่อไหร่จะเกิดเมื่อไหร่จะเกิดพอไปจ้องนี่ก็แสดงว่าไม่ได้พุโทโธแล้ว ไม่ได้ดูลมแล้วอย่าไปจ้องให้อยู่ให้อยู่กับพุทธโธพุทธโธไปเพียงอย่างเดียวถ้าใช้พุทธโธถ้าดูลมก็ดูลมไปเพียงอย่างเดียวในกรณีที่เวลาเริ่มต้นแล้วยังไม่สามารถดูลมได้หรือพุทธโธได้ก็ถ้าอยากจะใช้การสวดมนต์ไปภายในใจก่อนก็ได้สวดอิติปิโสไปหลายหายรอบ ก, ก่อนก็ได้สวดไปจนรู้สึกว่าใจ ไม่ฟุ้งแล้วสามารถบังคับให้อยู่กับพุโทโธได้ก็เปลี่ยนมาเป็นพุโทโธก็ได้แล้วสามารถนั่ง ด, ดูลมหายใจเข้าออกได้ก็คอยเฝ้าดูลมหายใจไปทําอย่างนี้ไปต้องใจเย็นๆอย่ามันไม่ได้เป็นเหมือนกับปตดไฟฟ้าพอกดสวิตช์ปั๊บไฟก็ติดเลยการที่จะได้สมาธินี้เป็นของที่ต้องใช้เวลาพอสมควร ต้องอดทนต้องใจเย็นเนต้องมีความเพียรพยายามทําอยู่เรื่อยๆทําอยู่บ่อยๆโดยเน้นความสาคัญอยู่ที่การเจริญสติเวลายังที่ยังไม่ได้นั่งนี้ต้องเจริญสติทุกเวลานาทีเลยถึงจะได้ประโยชน์ถ้าไม่เจริญสติพอเวลามานั่งนี้จะไม่เกิดผลแต่ถ้าเราหมั่นคอยเจริญสติอยู่เรื่อยๆยพอเวลามานั่งนี้จิตมันจะรวบได้ง่ายจะสงบได้เร็ว พอจิตสงบแล้วเราก็จะได้พบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงรถแหง่งธรรมชนะรดทั้งปวงจะปรากฏขึ้นมาในใจของเราว่าโอ้ไม่เคยเจอความสุขแบบนี้มาก่อนเลยต่อให้ได้ถูกากัตรี่รางวัลที่หนึ่งได้แฟนเป็นดาราภาพยนตร์ก็ยังสู้ความสุขที่ได้จากความสงบนี้ไม่ได้ ถ้าลองได้เราจะรู้ว่าความสุขนี่แหละเป็นความสุขที่เลิอดที่ประเสริฐจริงๆจะไม่สงสัยในคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าความสุขรดแห่งธรรมชนะรสทั้งปวงนี้เป็นอย่างไรแล้วจะทำให้เกิดมีศรัทธาอยากจะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นต่อไปก็อาจจะเพิ่มวันปฏิบัติจากอาทิตย์ละวันเป็นสองวันสวันลดภารกิจการงานให้น้อยลงเพราะ ความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินใช้ทองนี้มันจะลดน้อยลงไปเพราะว่าไม่ต้องหาหาความสุขด้วยการใช้เงินใช้ทองนะพราเราสามารถหาความสุขที่ดีกว่าจากการมาปฏิบัติธรรมได้เราก็อยากจะปฏิบัติธรรมเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นลดการทำงานให้น้อยลงมีเวลาปฏิบัติธรรมให้มากขึ้นไปเรื่อยๆความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปตนในที่สุดก็จะหมดไปได้ แล้วต่อไปใจของเราก็จะมีแต่ความสุขตลอดเวลาสุขอย่างถาวร น, นี่คือเรื่องของการหาความสุขสองระดับด้วยกันที่ออกมาฝากท่านในวันนี้คือความสุขของผู้คองเรือนและความสุขของนักบวชก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร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 เอวะเมวะอิโตชินังเตตานังอุปกปติอิชิตังปะิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพปเรนโตสังกาปาจันโทปนะระโสยธาไมเนโชติ a ะโสยธาสัพพิตโยวิวัจจันโตสัพโรโควินัสตุมา เทผวะตวันตรายอสุขีทีฆายุโกผวะอะพิวาธนสีลิสะนิจังอุทธาปจายิโนจตารูธมรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถาม ใครมีคำถามอะไรขอเชิญเข้ามาถามได้ในช่วงนี้เลยถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้แต่ของงดการถามหลังจากที่เลิกประชุมแล้วก็วไม่สะดวกสะดวกตอนนี้ตอนเดียววันนี้มีผู้ติดตามทางบ้านเท่าไหร่วันนี้ทาง Facebook 373คนครับ YouTube 226คนครับวิทยาออนไลน์8คนครับ ผูร้คครับฟังนากติหนึ่ง้อยอสแปดคนครับรวมทั้งหมดเจ็ด้อยเจ็ดสิบห้าคนครับพอาจารย์มีคำถามเลยเนาะเดี๋ยวช่วยส่องไ ม, ม้ได้อหมโอกาสของเมตาค่ะคือเมื่อวานที่ท่านทเทพเมตตาค่ันมีโอกาสได้ถามคือเมตตาละเขามีประเด็นของโยมของช้านก็คือ เป็นแรกที่ทั้นคู่ก็คือไม่เกี่ยวของงานคือไม่มีผลงานขอ ง, งตัวเองก็แค่เสียหน้าอ <c oughs> ะไรเงี้ยก็ยงจงะพัฒนาว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรก็เมตตาไปแต่มันมีเคสที่2ก็คือมันมันไปเกี่ยวของงานถ้าเราเมตตาไปเนี่ยคือครั้งแรกที่สองยังไม่มีปัญหาแต่ครั้งที่3า ม, มันก็มา เ, เรื่อยๆแล้วก็งานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันจะมีผลกระทบคือไม่เดินแะไรี้ยแล้วเราจะเมตตาไงเจาา้าในเมื่อมันมันไม่ได้เป็นเมตตาอ ย, ย่างเงี้มันไปเกี่ยวข้องของงานมลยดี เราก็อุเบกขาไปแทนนะแล้งานก็ไม่เดินนะเจ้าค่ะนั่นก็ใช่อุเบกขาไปแล้วพอให้งานมันช้าไปอย่างนั้นเราจะก็ก็ต้องพูดคุยกันนี่ยว่ามีปัญหาปรับความเข้าใจคืออันนี้ยังไม่รู้จะคิดเองเลยเกับคนสมัยนี้คือเตือนไม่ได้เลยค่ะเตือนไม่ได้ก็ทํางานร่วมกันไม่ได้นีก็คือยังไงก็ต้องแฮกแตกพักหลับถ้าเราเป็นเจ้าของเราเป็นคนให้เขาออกได้แล้วก็บอกไอ้ก็ออกไป <unsafe problem> ก็ไม่แค่แง่นี้อย่างเดียวเลยก็คืออา้าวก็เมื่อเราอยู่ร่วมกันแล้วมันเกิดความเสียหายอยู่อยู่มันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ท ำ, ทำงานร่วมกันไม่ได้อันนี้ไม่เรื่องของเมตตาหรือไม่เมตตาเป็นเรื่องของเหตุผลโอลเคเป็นประเด็นเรื่องเหตุผลครับข้อสองก็คืออันนี้ของยุญาเจ้าค่ะก็คือเรื่องนิยม โยมจะเป็นเจ็บป่วยแต่ว่าโลค เ, เรื่องเลไเรื่องเนี้ยมันมันมันมันแค่แบบว่าจะไม่สามารถปกติร่างกายปกติอะคะก็คือจะใช้ยาแบบคือปกติถ้าไม่มาที่เนี่ยโยมก็จะไปวันทีพ ท, mm hmm. ที่วรดโสภะนะคะนี้ก็มีท่านองค์หนึ่งท่านบอกว่าให้เพ่งประสิทธิ์คือโยมทานยามบบเยอะมากอะคะ่ะ mm hmm. ก็เลยบอกว่าเพ่งประสิทธิ์นี่จริงหรือเปล่าที่จะรักษาการเจ็บป่วย ไม่ได้หรอกความเจ็บป่วยทางร่างกายนี่มันไม่ก็ต้องใช้ยารักษาแม้แต่พระพุทธเจ้า่ายัางต้องมีมีหมอชีวกมาคอยดูแลรักษาทางร่างกายจิตใจเพิ่งจะช่วยสนับสนุนได้ถ้ามันเป็นโรคเครียดนี่เกิดจากความเครียดจากความไม่สงบของใจพอทำใจให้สงบโรคนั้นก็อาจจะหายได้แต่ถ้าเป็นโรคอื่นที่ไม่เกี่ยวกับ ทางด้านจิตใจมันต้องใช้ยาเช่นถ้าติดโควิดเข้ามาเนี้ยไปนั่งเพง่งงานมันก็ไม่หายหรอกรู้ยังไหมมันก็ละเรื่องกันที่ชัางเชฟอาจจะเป็นปุโรหิตใจใช่ก็ต้องกินไปเรื่อยๆใช่ถ้ า, <ม>ถาคือถ้ามันเป็นเรื่องที่เป็นจิตใจเป็นเหตุทําให้เกิดโรคเนี้ยก็ระงับความความวุ่นวายใจได้โรคนั้นก็หายได้ ข, ข, ข, ของเนี้ยข้อสามก็เรื่อง ก็วันวันที่ผ่านมานะคะก็มีพระท่านก็อ่านพระไยไปิฎกเรื่องขันติท่านบอกว่าอันนี้ไม่น่าจว่าพาะไปิฎกรองไปเสร็จหรว่าคันติเนี่ยถ้าผสมด้วยโศระจักเนี่ยจะทําให้ขันติเนี่ยสามารถตั้งอยู่ได้นานและโยมก็มองดูนิสัยตัวเองเนี่ยก็คือต้องทุกอย่างก็บอกเหตุผลหมดถ้าไม่บอกเหตุผลเนี่ยคือ ไม่ยอมรับเลยไหมแต่ตัวเองสอนตัวเองค่ะก็เลยถามว่ามีบุคคลกลุ่มนี้ใช่ไหมคะที่คันติต้องผสมกับสวดเจเท่านั้นถึงคันติถึงจะตั้งอยู่นานสวดเจแปลว่าอะไรคือเห็นและผลนะคะเห็นและผลก็ปัญญาไงก็คือก็คือกลุ่มกลุ่มพวกนี้คือถ้ามีถ้าจะบอกตัวเองให้ทําขันตินี่คือจะต้องเอาเหตุผลและปัญญามส่งตลอดไม่งั้นไม่ได้อยู่นานคืออยากจะถามว่ายออ้าง ต, องตัวเองหรือว่ามันเป็นจริงตามที่ท่านบอกที่ ก็เราพิสูจน์ดูของนี้เราดูได้ประโน์วันน่าจะใช่ค่ ะ, ะถ้าใช่ก็ใช่นะหนึ่งถ้าไม่ใช่ก็ไม่ใช่เราต้่งพ่สูจนตัวเองปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นแบบไห น, นปัญหาคือเราทําให้เกิดขันติขึ้นมาได้หรือเปล่าสำคัญ ต, ต, ตรงที่เราอดทนได้หรือเปล่าก็คือทำยังไงก็ได้ให้ขัตนติเกิดขึ้นเกิดขึ้นได้อ ใช้สติก็ได้ขันติถ้าไม่มีขันติเวลาร้อนขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวมันก็เย็นลงได้เจ้า่ะเชิญถามต่อคําถามจากหน้าสติค่ะมีสี่ข้อค่ะข้อหนึ่งเวลาหนูทําอะไรหรือหวังสิ่งใดมักจะไม่ได้ดังหวังหนูคิดว่าเพราะพ่อแม่ชอบพูดว่าเวลาสอนหรือบอกอะไรไม่เชื่อคอยดูเถอะจะลําบาก หนูคิดว่าเป็นเพราะพ่อแม่แช่งหนูจริงหรือเปล่าคะไม่จริงหรอกมันเรื่องเหตุเรื่องผลสิ่งที่เราอยากได้ถ้าเราเหตุมันไม่ได้ตรงกับผลที่เราอยากได้มันก็ไม่ได้ดั้นจ้นกลับมาดูที่เหตุว่าทําไมเราถึงไม่ได้แล้วก็ปรับเหตุให้มันตรงกับผลมันก็ได้มันไม่ได้อยู่ที่คำคำแช่งคําสาปของใครทั้งนั้นเปนเรื่องกฎแห่งกรรมทาดีได้ดีทําชั่วได้ชั่ว ข้อสองบางครั้งหนูคิดว่าหนูทําความดีมาตลอดแต่หนูตั้งใจทําอะไรก็ติดขัดไปหมดไม่ทราบว่าต้องทําอย่างใรดีคะก็อย่าทำเลยถ้ามันติดขัดก็อย่าทําไปนั่งสมาธิดีกว่าข้อสมีคนบอกให้ไปบวชชีพราหมณ์พ่อแม่บอกว่าทําความดีปฏิบัติที่บ้านก็ได้ อยากถามว่าผลที่ได้จะเหมือนกันไหมคะก็คืออยู่ว่าสถานที่มันมันสงบแล้อไม่สงบนะสถานที่สงบมันดีกว่าสถานที่ไม่สงบนะข้อสหนูเป็นคนชอบทำอะไรช้าพ่อแม่พูดว่าถ้าทำนิสัยแบบนี้ทายอนาคตได้เลยไม่ทราบเป็นจริงหรือเปล่าคะ ไม่รู้เหมือนกันทางอนาคตยังไงมันช้าก็ช้าเลยอนาคตก็ต้องช้าเลยถ้าเร็วอนาคตมันก็เร็วค่ะคำถามจากทางยูทู e ค่ะจากคุณไอซ์เบอรี่กราบน้ำสการเรียนถามพระอาจารย์สองข้อค่ะข้อหนึ่ง จริงหรือไม่ว่าฆรวาวาสที่เป็นพระอริยะแล้วไม่ควรแจกทานหรือล้างห้องน้ําด้วยตัวเองตามวัดให้ผู้ที่ยังไม่บรรลุมรรคผลทางธรรมเพราะจะสร้างกรรมให้กับผู้ที่ยังไม่บรรลุธรรมไม่จริงหรอกพระพุทธเจ้ายังไปรักษาผ้าป่วยเพราะไม่มีใครรักษาดูแลผ้าป่วยทอดทิง้งพระพุทธเจ้าก็เลยไปช่วยผ้าป่วยด้วยการชําระแผล เอาน้ำร้อนมาน้ำอุ่นมาชำระแผลให้กับพระที่ไม่ได้รับการดูแลจากพระด้วยกันแล้วก็ท่งสอนพระว่าเนี่ยถ้าอยากจะดูแลพระพุทธเจ้าก็ให้ดูแลพระป่วยข้อสอง เราควรหรือไม่ที่จะแนะนำทำที่ผู้ที่ปฏิบัติยังไม่ถึงหรือไม่เข้าใจเช่นคนกลุ่มที่ไม่เข้าใจกฎไตรลักษณ์เพื่อป้องกันการสร้างกรรมในการที่เขาไม่พอใจเราและก่อให้เกิดปรามาธรรมะโดยที่เราไม่ได้เจตนาเธอจะสอนใครต้องดูว่าเขายินดีจะให้เราสอนหรือเปล่าไม่ยินดีเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเสือก <laughs> คำถามจากคุณวิจัยชัยยงค่ะกราบนามัสการเรียมถามครับผมมักเจอคนที่มาทมาทานอาหารจากร้านค้าในโรงพยาบาลที่อาขารราคาถูกมากคนทานมักซื้อมาทานแต่กลับแล้วทิ้งเข้าไปทำแบบนี้จะมีผลทางบาป บ, บุญไหมครับเพราะคนขายจะได้ยอดมากขึ้น คือถ้าทำอะไรไว้มันก็จะติดเป็นนิสัยไปก็ต่อไปมันก็จะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆ<ม>ถ้าทําดีมันก็ติดนิดสัยดีไปถ้าทํานิสยัยทําไม่ดีมันก็เอานิสัยไม่ดีติดตัวไปคําถามจากทาง facebook ค, ค่ะอาจากคุณสติมีชีวิตดี <c oughs> เป็นคริสแต่อยากบวชพระได้ใหม่ครับอายุห้าสิบเก้าครับ ได้ถ้าปฏิบัติตามคำสอนได้รักษาศีลของพระได้ก็ปฏิบัติได้ระบวนได้คำถามจากคุณเหมียวทิทาพาค่ะนมัศการค่ะขอกราบเรียนถามพระอาจารย์สองข้อค่ะข้อหนึ่งการปฏิบัติแล้วเกิดปัญญาปัญญาที่เกิดขึ้นเป็นไตลักษณ์ไหมคะก็ไ ต, ตลักษณ์ก็คือเรื่องของปัญญาอะเอง การที่จะมีปัญญาก็ต้องเห็นว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายไม่ที่มีเกิดมีดับเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายเป็นอนัตตาเราควบคุมบังคับเขาไม่ได้เมื่อเมื่อเป็นอย่างนั้นสิ่งทั้งหลายก็มักจะให้ความทุกข์กับเราพอเราอยากจะไปควบคุมบังคับเขาพอเราควบคุมบังคับเขาไม่ได้เราก็เลยทุกข์กันอันนี้ก็คือปัญญาข้อสองเคยได้ยินมีผู้กล่าวว่า ถ้าได้โสดาบันจะกลับมาเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติหมายความว่าอย่างไรคะก็หมายความว่าไม่มากกว่าเจ็ดชาตินสคือถ้าไม่ผ้าไม่ได้เป็นโสดาบันก็จะกลับมาเกิดอีกแสเจ็ดล้านชาติเนี่ยแล้วกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆแต่พอได้เป็นขั้นโสดาบันเราก็จะลดจานวนไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากคำถามจากคุณบุโงมสารางาม กราบนมัส ก, การพระอาจารย์ค่ะขอกราบเรียนถามเรื่องการปฏิบัติสมาธิค่ะการเจริญสติที่ง่ายที่สุดควรทําอย่างไรคะก็ให้รู้ตัวอยู่ตลอดเวลารู้ว่าเรากําลังทําอะไรกําลังยืนก็ให้รู้ว่าเรากำลังยืนกําลังเดินกําลังนั่งกําลังทําอะไรกําลังกินกําลังทําอะไรให้อยู่กับการการการะทําของเราก็เรียกว่าการมีสติหรืออีกวิธีนึงก็ให้บริกรรมพุโทโธพุธโทโธไป อย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆก็เรียกว่าเป็นการมีสติคำถามจากคุณจุ๊กสโลไลฟ์ค่ะกราบสอบถามครับคนที่ทำสมาธิไม่เป็นถ้าพามาฟังเทศจากพระอริยสงฆ์บ่อยๆตอนฟังเทศท่านจะมีเมตตาดึงกระแสจิตคนที่ทำสมาธิไม่เป็นให้เข้าสู่ความสงบในขณะฟังอันนี้ผมเข้าใจถูกต้องไหมครับ คือการฟังธรรมจากใครก็ได้หรอถ้าฟังแล้วจิตใจเราจดจ่อกับการฟังจิตใจก็เข้าสมาธิได้ไม่จำเป็นว่าผู้แสดงจะต้องเป็นพระอริยะเพ็นอย่างเดียวแต่ถ้าได้ฟังจากพระอริยะก็อาจจะได้เกิดปัญญาขึ้นมาเพราะพระอริยะจะแสดงธรรมที่ถูกต้องแม่นยำกว่าพระที่ไม่ได้เป็นพระอริยะคำถามจากคุณนฤมลค่ะ หนูปฏิบัติเห็นความคิดปิดกั้นผู้รู้ความคิดหายไปผู้รู้เด่นชัดอยู่ไม่ยุ่งกับสิ่งใดเฉยสงบแต่พอออกจากสมาธิก็มีความคิดปิดกั้นอยู่พิจารณาว่าสิ่งใดไม่เที่ยงขออภัยค่ะพิจารณาว่าเป็นสิ่งไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเหมือนผู้รู้ความคิดแยกกันถูกทางไหมคะถูกทางแล้วะ อย่าไปตามความคิดพยายามควบคุมความคิดหยุดความคิดถ้าอยากคิดก็ให้คิดไปในทางตายลักให้หมดคำถามจากคุณอัปโป้ซา่าค่ะพระอาจารย์เจ้าคะอยากมาปฏิบัติธรรมที่นี่ต้องทำอย่างไรบ้างคะ เปิดให้ปฏิบัติธรรมวันไหนบ้างคะที่วัาเข้าให้อยู่มาอยู่ได้ข้างละไม่เกินเจ็ดวันนุ่งขาวห่มขาวลงโบสเช้าเย็นไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิมีเป็นหอพักติดต่อที่สำนักงานของทางวัดได้จองที่พักได้คำถามจากทางเฟ e บ o o กค่ะจากคุณแท็กซ์แอคคัสขอภัยอ่ะผอ่านชื่อผิดคะ่ะ กราบนมัส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะวิธีแก้ความกลัวโครคภัยไข้เจ็บและกลัวตายมีวิธีแก้ไหมและทาอย่างไรเจ้าคะก็สอนว่ามันเป็นความจริงที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้ากลัวก็ทุกข์ไปเปล่าๆถ้าไม่กลัวก็ไม่ทุกข์ต้องยอมรับความจริงให้ได้ทุกคนเกิดมาแล้วไม่ช้าก็เราก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ใช่เรา เราที่กลัวนี้ไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยไปกับผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็คือร่างกายผู้ที่กลัวนี้คือจิตใจจิตใจไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยไปกับร่างกายต้องพยายามสอนใจให้เข้าใจจะได้จะได้หายกลัว อ, อีกคำถามหนึ่งค่ะ เป็นสภาวะของเพื่อนซึ่งเป็นคนปฏิบัติจริงจังมากตอนนี้มีอาการหายใจเข้าก็ทุกหายใจออกก็ทุกทุกทุ ก, ทกอิริยาบถตลอดเวลายกเว้นนอนหลับเป็นสภาวะปฏิบัติถูกทางไหมเจ้าคะความจริงมันไม่น่าจะทุกนะเพราะเราก็เกิดมาทุกคนก็หายใจเข้าหายใจออก <laughs> ก็ไม่เคยทุ ก, กันจะทุ ก, ก็ตอนที่ไม่หายใจมากกว่าเห็น <laughs> อันนี้ก็ไม่รู้ว่า ครับที่ว่าทุกนี้เป็นเป็นอย่างไรเพราะเพิ่งเคยได้ยินเป็นครั้งแรกนีว่าหายใจเข้าก็ทุกหายใจออกก็ทุกคำถามจากคุณโทรินก ค, ค่ะฟังเรื่องเล่าจากพระท่านหนึ่งมาว่าหากเผลอไปใช้พระอริยเจ้าแม้ไม่ได้เจตนาจะส่งผลให้เป็นคนใช้ในชาติต่อไปจริงไหมคะไม่จริงหรอกใช้ใครก็ กเรื่องของของการใช้ของมันไม่ได้เกี่ยวว่าผู้ที่รับใช้จะเป็นพระอริยะหรือไม่ไม่ได้ทำให้เราไปเป็นคนรับใช้ต่อไปเราอาจจะมีบารมีมาเกิดเป็นคนใช้ของสั่งเขาได้ถ้าหน้าถ้าเราสะสมบรารมีต่อไปแล้วก็จะเป็นคนสั่งเขาต่อไปได้แมันไม่ได้เกี่ยวว่าคนที่เราสั่งนั้นเป็นคนแบบไหนระดัแบบไหนไม่เกี่ยวไป ถามจากคุณปฐมพงศ์ค่ะบางครั้งก็รู้กายบางครั้งก็รู้ลมหายใจบางครั้งก็หายใจเข้าพุทธออกโทบางครั้งก็อยู่กับปัญญาคือใช้ปัญญานำหน้าเช่นนี้เรียกว่าเปลี่ยนคําบริกรรมหรือเปลี่ยนการภาวนาบ่อยถือเป็นคนไม่มีหลักหรือไม่ครับก็น่า จ, จะเป็นอย่างนั้นคนวรจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งจะดีกว่าจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะ กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะการที่ชอบนั่งภาวนาเฉยๆโดยที่มีเหตุผลว่าการนั่งภาวนาได้บุญมากกว่าการทำงานช่วยวัดอย่างอื่นเราต้องฉลาดทำบุญแบบนี้จะ ก, กลายเป็นว่าขี้เกียจหรือเห็นแก่ตัวหรือไม่เจ้าคะอ๋อก็ต้องดูการลาเทศะดูความเหมาะสม ถ้าคนอื่นเขาทำงานกันเราอยู่ร่วมกับเขาเราก็ต้องช่วยกันไม่ใช่มาอ้างว่าตอนนี้ขอนั่งสมาธิแต่พอเวลาเขากินก็ามาขอร่วมกินด้วยนั <laughs> ่นก็ต้องต้องรู้จักเวลารู้จักกาลเทศะบุญแต่ละบุญแต่ละชนิดมีเวลาของมันถึงเวลาที่ต้องช่วยเหลือกันก็ต้องทำบุญชนิดนี้ไปถึงเวลาที่แยกไปนั่งสมาธิก็ไปนั่งสมาธิกันไป คำถามจากคุณกุลาบค่ะถ้าคนเรามีสติรู้ตัวมีปัญญารู้คิดแล้วปฏิพานคืออะไรเจ้าคะไม่รู้เหมือนกันนะคำถามจากคุณว่ า, าไปเลอไปคำถามจากคุณเจ้าพระยาพิชัยบดินค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์และขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ อันว่าเปลือกกระพีแขแก่นประกอบกันจึงเป็นต้นไม้ฉันใดพระพุทธศาสนาก็เช่นกันดั่งต้นไม้นั้นประกอบกันขึ้นจึงดำรงมาได้ 2,500 ปีขอพระอาจารย์เมตตาอธิบายขอรับก็การปฏิบัติธรรมก็เหมือนเป็นเป็นเป็นเป็นขั้นขั้นเหมือนกับต้นไม้เนี่ยมีเปลือกมีกระพีมีแก่นทานศีลภาวนาเป็นต้น การทำทานก็เป็นเหมือนเปลือกการรักษาศีลก็เป็นเหมือนกับเป็นกับพี่การปฏิบัติทำภาวนาก็เป็นแก่นของศาสนาก็ต้องมีทั้งสามส่วนศาสนาถึงจะอยู่ได้ปนไม้ก็ต้องมีทั้งสามส่วนคำถามจากคุณสมฤทธิ์ค่ะกลาบนมัสการถามพระอาจารย์ค่ะ ถ้าเราอุทิศบุญที่เราได้เคยสั่งสมมาตั้งแต่อดีตชาติถึงปัจจุบันถาวายแดกคุณพระรัตนตรยัยพ่อแม่ญาติพี่น้องเจ้ากรรมในเวรแล้วบุญของเราจะหมดไปหรือไม่คะนไม่หมดระเพราะเราแบ่งไปเดียงนิดเดียวนั่นเองบุญอุทิศนี้ท่านบอกว่าเป็นเหมือนกับน้ำที่ติดอยู่ข้างอยู่ในแก้วเวลาเราเทน้ า, นาออกไปหมดจากแก้วแล้วก็มีเหลืออยู่นิดหน่อยอ น, นันแหละเป็นบุญอุทิศที่เราจะได้อุทิศไปได้ มุลส่วนใหญ่นี่จะอยู่กับเราเป็นของเราไปคำถามจากคุณอู๋คะ่ะเวลาเราเจองูถ้าให้คิดในทางธรรมคืออะไร ก็คืองูเลยขอพาค่ะยังไม่จบถ้าคิดในทางธรรมคืออะไรจะเกิดก็ต้องเกิดถ้าถูกกัดก็อย่าไปทำร้ายเขาใช่ไหมคะแล้วความกลัวจะไม่เกิดถ้าเราปล่อยวางร่างกายได้ถูกไหมคะถูกต้องถ้าเรายอมให้มูกัดเราก็จะไม่กลัวถ้าเราไม่ยอมให้กัดเราก็จะกลัวจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะ มักแปดจะมาจากพระสูตรใช่ไหมเจ้าคะแต่เพื่อนบอกว่าอาจคลาดเคลื่อนเพราะผ่านการสังคายนาอาจารย์ที่เป็นค า, ารวาะของเขาไม่เน้นที่มักแปดคะ่ะลูกไม่เถียงกับเพื่อนแต่อยากกลาบถามเจ้าคะ่ะอ๋อเป็นคําสอนของพระเจ้ามามาจากธรรมจักรกับปวตนาสูตรอนูถางได้เลย หลวงพ่อคะอย่างสมมติว่าถ้าคนเราเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องช่วยคนอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะช่วยโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนแต่ว่าบางคนเนี่ยคิดว่าเราจําเป็นจะต้องช่วยเพราะว่าเป็นหน้าที่ของเราหากวันหนึ่งเราไม่ช่วยเขาแล้วอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อเราจะต้องทํายังไงคะวางเฉยหมายถึงเราเคยช่วยเขาแล้วต่อมาเราเลิกช่วยเขาใช่ค่ะแล้วทำไมเลย มันเป็นสิ่งที่คนอื่นเขามองกลับมาหาเราว่าทำไมเราถึงไม่ช่วยเขาต่อไปอย่างเงี้ยค่ะแต่ทั้งที่เราอยากที่จะช่วยเขาต้องแต่เริ่มแรกเลยที่ไม่หวังผลตอบแทนอย่างนี้อยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อก็การจะช่วยแล้วไม่ช่วยมันต้องมีเหตุผลไม่ใช่เหรอค่ะเมื่อมีเหตุให้ช่วยก็ช่วยเมื่อไม่มีเหตุให้ช่วยก็หยุดช่วยได้ค่ะก็ะเท่านั้นค่ะใช่ไค่ะ คนอื่นเขาไม่รู้เหตุของเราว่าเราช่วยเขาเพราะเห็นใดแล้วเราหยุดช่วยเขาก็เห็นใดถ้าทั้ง ท, งที่บางครั้งเราช่วยเราก็ทุกบางครั้งเราช่วยเราก็สุขอย่างนี้ค่ะหลวงพ่อช่วยที่ทุกก็เพราะเราอยากอยากให้ได้ดังใจเราพอไม่ได้ดังใจเราเราก็ทุกแต่ถ้าช่วยโดยไม่มีความอยากมันก็จะสุข ก็คือต้องช่วยโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนเอ่ถูกต้องไม่หวังผลทุกอย่างเมื่อไรจะเกิดก็เกิดไปค่ะแล้วอย่างบางคนที่เขาไม่มีศาสนาเนี้ยค่ะหลวงพ่อแต่ว่าเขาตามเราไปด้วยสมมติเราไปทําบุญเขาก็ทําำเราไปปล่อยปลาเขาก็ทําแต่เขาไม่รู้ว่าจุดประสงค์ของการทําบุญคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อไม่รู้จุดประสงค์เลยซ้ำว่าเกิดมาเพื่ออะไรก็บอกเขาเสร็จ เราทำบุญก็เพื่อให้ความสุขใจแล้วความสุขใจนี้ก็จะติดไปกับใจเวลาตายก็จะไปเป็นสวรปปสวรค์ก็จะไปอยู่ในสวรรค์แล้วสวรรค์มีจริงไหมเขาก็จะถามต่อก็มีจริงนะคือความสุขใจเนี่ยใจของเรามีความสุขก็เรียกว่าเป็นสวรรค์สวรรค์ไม่ได้เป็นสถานที่เหมือนนครสวรรค์เชียงใหม่ะแต่เป็นใจของเราที่มีความสุขณปัจจุบันวันนี้ใช่ไหะวันนี้ด้วยแล้วเวลาตายไปด้วย แล้วร่างกายตายไปใจที่มีความสุขนี้ก็เรียกว่าสวรรค์ใจที่มีความทุกข์ก็เรียกวันนรกค่ะแต่ณวันเวลาที่เราเก็บเก็บความจําสิ่งที่เราได้ทําบุญแล้วก็ทำกรรมไว้ในส่วนที่เราทําบุญเอาไว้เราก็เก็บมันฟ่อนอยู่ในใจเราแล้วมันจะออกมาทํางานโดยอัตโนมัติของมันแล้วถ้าสมมติเราทําอะไรที่มันผิดศีลผิดธรรมมันก็บาปมันก็จะร้อนขึ้นมามันก็จะทุกข์ขึ้นมา แล้ววันเวลามันผ่านไปบางครั้งมันกลับขึ้นมาเป็นภาพอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะใช่มันมันฝังอยู่ในใจเราไงแล้วเราจะลบออกไปยังไงอ่ะก็ต้องให้มันแสดงผลของมาแล้วเดี๋ยวมันก็จะลบตัวของมันไปถ้ามันยังไม่ได้แสดงมันก็ยังจะอยู่ในใจเราไปเรื่อยๆค่ะแต่ไม่คิดถึงสิ่งที่เราทําไม่ดีมาใช่ยหมบางทีไม่คิดมันก็มาถึงเวลามันจะมามันก็มาถ้าเราทำไม่ลด้มันจะฝังอยู่ในใจ ค่ะของเราแล้วมันก็จะรอจังหวะรอเวลาของมันรอถึงเวลามันก็จะมาค่ะค่ะมรร ก, การทางหลวงโอเคอหมดเวลาแล้วนะมีอีกไหมหอีกคําถามหนึ่งคําถามสุดท้าย <c oughs> คําถามจากคุณมณัสวีค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะ บุญจากการทำทานกับบุญจากการทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิจะสามารถแผ่และอุทิตบุญได้ไหมคะถ้าดูในพระคัมภีร์ก็ท่านสอนให้แผ่ไม่อุทิศบุญด้วยการทำทานท่านไม่ได้สอนให้อุทิตด้วยการสวดมนต์แล้วปฏิบัติธรรมบุญชนิดอื่นนี่ท่านไม่ได้สอนให้ไปอุทิศนตถ้ะอยากจะอุทิตบุญให้ทำบุญทำทานแล้วก็อุทิศบุญนั้นไป เอาแล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเบาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิจิย์พิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ